เราต้องการอยู่นิ่งๆเออทำไมจิตของเราไม่นิ่งเพราะว่าความเคยชินของจิตที่คิดอยู่เสมอเม่คิดไปแล้วก็พาให้จิตตัวเองนี่ระวุ่นวายด้วยเพราะว่าตัวจิตเองไม่รู้ว่ายิ่งคิดมากยิ่งวุ่นวาย เมื่อเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะมารู้ว่าหยุดคิดเราจะหยุดคิดหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งอะไรเนี่ยมาทำให้เรานิ่งๆลองฝึกดูทีแรกเลยเนี่ยมันก็ยากทุกอย่าง แม้ทำไมาเองปฏิบัติมาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆเห ม, มือนญาติโยมนี่นแหละตอนยังไม่ได้บวชนก็ฝึกนั่งสมาธิเห็นจิตตัวเองแล้วก็มันก็มีความรู้สึกคิดไม่หยุดก็เคยฝึกสมาธิมาบ้างมันก็เกิดความสงบเกิดความเย็นใจต่อมาแล้วมันไม่สงบนี่เมื่อไม่สงบ ก็มาคิดว we er ่าเอ๊ะทำไมเราไม่ต้องการคิดปรุงแต่งทาไมใจยังคิดอยู่ก็เราต้องมาฝึกมาฝึกให้ใจของเรานิ่งโดยกาหนดรูปลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าพดลมหายใจออกโทเป็นอารมณ์ของใจ เมื่อฝึกไปแล้วบางครั้งก็อยู่กระลมหายใจบางครั้งก็คิดออกไปข้างนอกก็ต้องพยายามนพยายามฝึกไปทุกๆวันนะฝึกทุกวันเมื่อเราพยายามฝึกไปทุกๆวันนี่แหละจิตที่เคย มุ่นวมายมากๆก็จะลดน้อยลงอาจะลดน้อยลงจะเริ่มสงบขึ้นที่เคยคิดมากก็คิดน้อยลงนะโดยอาศัยในระหว่างวันก็มีสติดูจิตของเราไว้ พยายามประครับประคองความรู้สึกของใจของเราไว้บางครั้งรู้สึกยินดีหรือยินร้ายก็มีสติไม่ความรู้สึกยินดียินร้ายนะั้นมันมากเกินไปนะควบคุมจิตของเราไว้นะจิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะ เรามานั่งสมาธิช่วงเช้าที่เราตื่นนอนมาแล้วก็ดีนั่งสมาธิในช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วจ ะ, จะสงบได้ดีขึ้นแต่ในบางครั้งจะเอาให้มันนิ่งเลยอยู่กับลมกับพุทโธไม่สงบเราก็เอามาพิจารณาก็ได้นำมาพิจารณาว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ย เราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตนะั้งแต่ว่าเป็นตัวอ่น อ, อนๆขึ้นมาแล้ยว่าปัญจสักขานะเป็นตุ่มนกเล็กปมกเล็กๆละขยายขึ้นมานะมีสองขามี2แขนมีรับตัวมีศีรษะเป็นของเหลวๆ เ, เป็นของคน้คนๆเหลวๆมาเรื่อยๆพัฒนามาจนว่า มีรูปร่างนั้นแหละแล้วก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำนะอาศัยอากาศอาศัยท่ายความร้อนก็พัฒนาโตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในท้องมันดาจนข้อดออมาแล้วก็มีการพัฒนาตลอดไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้นเราเป็นเด็ก ก็มันหยุดจากความเป็นเด็กโตขึ้นมาโตขึ้นมาแต่ตอนโตขึ้นมานี้มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันก็มีการซ่อมเซลล์กันอยู่เสมอแล้วแหละแต่ถึงวันหนึ่งร่างกายนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงบางทีเราจะคิดว่าเราจะอายุ ก็ประมาณแปดสิปีเราจะป่วยออปล่อยคนนั่งตรงนั้นหนย่ยโมปล่อยนั่งแล้วล่ะปดปีเราจะป่วยก็ไม่แน่าบางครั้งเราป่วยก่อนก็ได้เราจะคิดว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอายุ70บบางครั้งป่วยก่อนก็ได้ไม่แน่ บางคนดูร่างกายเจ็บป่วยอยู่เสมอแต่ว่าก็ไม่เป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงบางคนก็ดูแข็งแรงตลอดมามาตรวจเข้าอีกครั้งหนึ่งก็เกิดเป็นโรคประเรงกว็วเนี่ยโรคที่มันรุนแรงที่จะร่างกายมันเสื่อมไป อย่างนี้นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะในขณะ น, นี้เราก็เป็นโรควัดนะเป็นโรคกระเพาะอาหารบั่งเป็นโรคพื้นคันโรคพุ่มแพ้ก็เป็นร่กเป็นธรรมดานะของสังขารที่มันเสื่อมก็ยังไม่รุนแรงมาก มันเสื่อมไปมากๆไปโรคมะเร็งอย่างเงี้ยกร็รุนแรงแล้วโอกาสที่เราจะปฏิบัติภาวนานทางใจจะมาภาวนาให้สงบมันก็เป็นไปได้โดยยากเพราะว่ามีอุปสรรคของร่างกายเกิดขึ้นที่เรียกว่าขันธมานขันธมาร คือเป็นมาละทำลายความดีสังขารร่างกายนี้มันเป็นมาหน่วยเนี่ยเราจะมาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินโงกรมก็ลำบากเพราะว่าขันนี้มันไม่อำหนวยแล้วรูปขัจขันไม่อำหนวยแล้วเกิดทุกขเวทนาด้วยกเวทนาขันเกิดขึ้นด้วยเราก็จะมาภาวนาลำบาก หรบางครั้งเราจะสร้างคุณงามความดีนะจะมาทําบุญใส่บาทมาฟังทำปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติกิเลสสมานในใจของเราก็อาจจะขัดขวางตัวเองขึ้นมามีกิเลสเกิดขึ้นใน ใ, นใจทําลายความดีเราอีกหรือว่ามีอุบาสกมัสสิกาก็ดีจะมาปฏิบัติทำ อย่างขบศคนหนึ่งที่ทรมาเคยรู้จักตั้งใจบวชมาตั้งแต่อายุ50มาถึงห5หมาถึง60ปีก็ออกจากงานแล้วปลดเกษียณเตรียมตัวจะบวชแล้วเปลล็นโรคริดสีดวงก็จะตั้งใจว่ารักษาโรคริดสีดวงให้หายดีซะก่อนก็ทำการผ่าตัดเรียบร้อยออขณะที่ยังรักษาอยู่ที่บ้าน กะลื่นล้มลงไปชิษะก็ฟาดพื้นก็เสียชีวิตเลยนะตั้งใจมาตั้งสิบปีว่าจะอายุหกสิบก็จะได้อุประบทจะได้ปฏิบัติให้เต็มที่นะก็ใกล้จะบวชแล้วบริคารก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วร่างกายมันก็เป็นอุปสรรค ก็เลยพยายามที่จะให้ร่างกายนี่มันดีซะก่อนเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามาละก็คือความตายมันก็มาขัดขวางอีกนะขัดขวางความดีอีกนะมีกิเลสมานเห็นไหมมีความตายมาขัดขวางอีกหรือจะมีร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมันก็ขัดขวางได้ทั้งนั้น เนื้อบางทีอันนั้น็พูดไว้ว่าเป็นเทวบุตตมานเทวบุตตมานขัดขวางได้ไม่สร้างความดีโดนจิตโดนใจไปทางอื่นก็เรียกว่ามันมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีโอกาสดีว่าร่างกายของเรานี้ยัง มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมะเราก็จะต้องพยายามปฏิบัติให้มากเรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรงนะศรัทธาของเรานี้ก็ยังมีอยู่เพราะศรัทธาเนี่ยความเชื่อความรื่นมใสเนี่ยในพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันไม่แน่นอนนะ ที่เราว่าเรามีศรัท ธ, ธาแล้วนี่เศรัท ธ, ธาเราจะตั้งมั่นตลอดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อมีกิเลสมันเข้ามามากๆขึ้นศรัท ธ, ธาเราจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้าเราตั้งศรัท ธ, ธาเนี่ยในพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้ที่เป็นพระรังหัน นะท่านมีคุณพระหมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ เ, นะเนี่ยตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างกายที่เราเห็นนะพระสังฆเจ้าก็ผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ตามระดับขึ้นไปจนถึงพระอรหันต พระโสดาบสักการะพระนาคาวัฒหันโดยไม่ได้เป็นองค์นั้นองค์นี้นะคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้เราก็ไม่เสื่อมศรัทธาละแต่เพราะบางครั้งเนี่ยในพุทธศาสนานะเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นบาศกบาสิกา หรือว่ายังไม่มีศีลอะไรมากมายก็มีพอแม่เอาเ้ามาบวชในพระศาสนาก็เป็นพระก็เป็นพระโดยสมมุตินะน้องปูชา ย, ยกตัวอย่างว่าเอาทรายมากำมือหนึ่งมาสมมุติว่าอันนี้เป็นเกลือสมมุติไปทุกๆวันนั่นแหละแล้วเกลือทรายที่เราสมมุติเนี่ยมันจะมีความเค็มหรือเปล่า ก็ไม่ไม่เค็มไม่สามารถนำะไปทำใส่อาหารปรุงอาหารได้เพราะไม่มีรสเค็มก็คงเป็นทายอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องของสมมตินะเป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาว่าเป็นเกลือนะผู้ที่มาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะนะเข้ามามันระชาวมาสมมติก็มาสมมติก่อน ไม่นานสมมติกันสวดกันชั่วโมงหนึ่งก็เป็นพระแล้วเป็นพระโดยสมมุติแต่ยังไม่ได้เป็นพระโดยวิมุติคือหลุดพ้นจากกิเลสอภารโดยสมมุตินี่แหละบางครั้งอะทําไม่ถูกต้องผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเหมาว่าเป็นพระในพระธศาสนาทั้งหมดเนื้อในองค์กรในองค์กรหนึ่งมีคนที่ทําไม่ถูกต้อง สักคนหนึ่งก็ไม่ใช่คนทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่เพราะคนนั้นทำแล้วคนอื่นจะผิดไปหมดด้วยนักชาไปต่างประเทศเขาก็ถามว่อเมืองไทยเมืองพุทธทำไมมีขโมยเยอะนักชาก็เลยตอบว่าคนขโมยเนี่ยขโมยแต่ไม่ใช่พวกศาสนา เพราะอะไรเพราะว่านัานมันเป็นคนนะหรือนักเรียนในชั้นหนึ่งมีคนสอบได้ที่1นึงทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ท่านได้ถามกับเออแล้วที่เมืองนี้จะมีคนแบบนี้ไหมก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยหรือเมืองไหนล่ะนะคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าพระพุทธศาสนานะ ก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าก็สอนประชาชนนั้นให้เข้าใจและก็รู้ตามพระเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและก็แสดงธรรมพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าก็เป็นผู้ที่พระเพื่อปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ด้วยนั่นเรีาพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีศรัทธาแล้ว เราก็ต้องรีบทํามีศรัทธาในการให้ทานเราก็ต้องทำศรัทธาในการสมทานศีลศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะอันนี้เราก็ต้องทำํำละเพราะว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเราไม่ทํำแล้วเดี๋ยวศรัทธามันก็หมดไปได้ความตณีถี่เหนียวเข้ามาได้เราก็ทําไม่ได้แล้ว บางทีมีความคิดจะสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อใจเกิดความโลภขึ้นมาก็ทำไม่ได้บางทีคิดจะปฏิบัติภาวนาส่วนมนต์ภาวนานั่งสมาธิความเกลียดค้านขึ้นมาอีกเราก็ทำไม่ได้ทําทไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ต้องเรีบธรรม้ต้องปฏิบัติพยายามเรียกว่ามาฝึกจิตของเราเนี่แหลนะนะให้นิ่งๆเพราะจิตนี้เนี่ยมันรับรู้อารมณ์มาทั้งวันน่ะับรู้อารมณ์มาแล้วมันก็หลงอารมณ์ไป มันหลงอารมณ์ไปแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็หลงหลงไปอีกแล้วอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นวัตตสรงสารทาให้จิตของเราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอแหละแล้วก็สุขทุกข์นี้เนี่ยนะมันก็ไม่เทียงแท้แน่นอนเนาะนะความสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเนี่ย ใ, ใ, ใจตรงนี้ใจใจตรงนี้ถา้าเรามีทุกเราอยู่บ้านหลังใหญ่ๆนะบ้านหลังใหญ่ๆแก้ทุกในใจไม่ได้อยู่ในรถคันใหญ่ๆคันโตๆก็แก้ไม่ได้ทรัพย์สมบัติเรามีมากมายก็แก้ทุกไม่ได้นะเราซื้อเขาไม่ได้นะมีทุกแค่นี้เอาเรามีปัจจัยสักเงินทองสักหมื่นหนึ่งเอาทุกนี้ออกไป ก็ไม่ได้มีสักล้านนึงเอาทุกติ ใ, ใจนี่ออกไปเลยก็ไม่ได้อีกจะออกได้ก็มีปัญญามีความรู้มีอริยทรัพย์คือปัญญาความรู้เท่าทันความเป็นจริงนักของรูปของนามรู้ว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างไรนะเป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้ ควรกำหนดรู้ทุกนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆเกิดจากอุปทานหรือสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกตัณหาอุปทานที่มีในใจที่มีความยึดมัน่นถือมั่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความยึดมั่นนี่คือเรานี่คือของเราแล้วเรามีเราคนเดียวแล้วเมื่อเรามีสามีมีภรรยาก็มี สามีภรรยาของเรามีลูกของเราถ้ามีปัญหาครอบครัวขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์มากมายเดือดร้อนอีกเพราะอะไรเพราะว่ามีทานแล้วยังไม่มีสินแต่ครอบครัวใดก็มีสินก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีสินห้าประการนัก็มีความร่มเย็นเป็นสุข จ่มีเงินทองมากมายเท่าไรถ้าไม่มีศินทั้งสามีภรรยาแล้วไม่มีความสุขเมื่อสามีภรรยามีศินมีธรรมก็มีความสุขใจเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็เพราะว่ามีปัญญารู้แล้วว่าทางปฏิบัติในชีวิตนี้ของเราจะเดินทางไปอย่างไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร พร า, าเมราเกิดมาในโลกเนี่ยเมื่อใจของเราไม่รู้แล้วก็หลงไปในโลกนี่นี่แหละหลงไปจนสุดแล้วถ้าคนมีวาสนาบา ร, รมีก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ผู้ที่ไม่มีบา ร, รมีพอก็จะหลงไปเลยกลับไม่ได้กลับมามีศีลมีธรรมไม่ได้ไปสวดไปจะภูมิในขณะที่ยังมีกายนี้อยู่แล้ว แต่เมื่อเรารู้เท่าทัานว่าตัวทุกข์เป็นอย่างนี้อุปทานเป็นอย่างนี้ทําให้ทุกข์เกิดก็พยายามละอุปทานนี่พระพุทธเจ้าพวกบอกว่าคนในโลกเนี่ยเหมือนกับขนของงวมีเขาแค่คู่เดียวพระพุทธเจ้าปวดเราไปได้แค่คู่เดียวเท่านั้นนอกกนั้นแล้วมีขนมากมายผู้ที่ มีศรัทธาจะมาปฏิบัติธรรมะมีศีลมีธรรมแสงว่ามีจำนวนน้อยผู้ที่มีวาสนาบา ร, รมีมีปัญญาก็พากันปฏิบัติมาพิจารณาถึงชีวิตร่างกายนี้มันไม่แน่นอนมีความเสื่อมความสิ้นไปเสมอบางครั้งแล้วว่าแข็งแรงแข็งแรงก็เจ็บไข้ได้ป่วย ชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นก็มีคนที่รอบข้างเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเด็กตัวเล็กเป็นมะเร็งก็มีนะเดี๋วนี้นนไม่แน่นอนอะเลยเราก็พิจารณาก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็มาพิจารณาเออชีพิตเกิดขึ้นมาอย่างไรนะในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บตั้งแต่เด็กๆนะบางคนก็เป็นกลางๆอ า, ายุมากแล้วค่อยเป็นโรคที่มันร้ายแรงแต่ทุกคนก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บนั่นก็ความตายพิจารณาว่าชีวิตที่เราเกิดขึ้นมานี้มันก็ไหลไปอย่างนี้แหละไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับเราในความเจ็บความป่วยความตาย เอวังพาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่สามารถร่วงอย่างนี้ไปได้เราไปเยี่ยมคนที่เขาเจ็บหรือไปงานคนที่เขาตายก็คิดว่าเราเองก็ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันอันนี้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราฟังธรรมะเทศว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แต่เมื่อเกิดขึ้นกับเรานะี่ยมันก็ ไม่ได้ยินเสียงแล้วมันรู้เลยมันเป็นอย่างนี้นะความแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะความทุกข์ของสังขารคือความที่มันเสื่อมสิ้นไปน่แหละแต่มันแข็งแรงอยู่ก็ดูว่ามันดีมีความสุขแต่สังขารเนี่ยมันเราไว้ใจไม่ได้มันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเสื่อมสิ้นไปได้ เราก็พิจารณามันเสื่อมมันสิ้นไปอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นตัวเราตรงไหนล่ะทําไมเราว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆจริงังๆเป็นเราก็โดยสมมุติก็ได้นะรู้จักไว้ว่าเป็นเราอยู่พูดว่าเป็นเราอยู่โดยสมมุติแต่ในใจก็รู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่เราจริงๆนะอันนี้เป็นขันเราก็อาศัยไปก่อนอาศัยสร้างคุณงามความดี ขันนี่ยังแข็งแรงอยู่ก็มาฝึกหัดปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างคุณส่เอาไว้นะเรียกว่าเราเตรียมเอาไว้ก่อนถ้าเกิดเป็นวัตถุเนี่ยเราจะมองเห็นได้ง่ายเมื่อเรามีบ้านหลังหนึ่งถ้าบ้านนั้นมันก็ใช้มานานแล้วนะมันเริ่มปูเริ่มพังเราก็คิดเห็นแล้วหรือมันพังจนว่ามันจะสู้ไม่ไหวแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องสร้างใหม่เราก็จะมองเห็นนะแต่ร่างกายนี้แหละเราอยู่มานานแล้วนี่เราต้องพิจารณ า, นานแล้วมันเริ่มจะเสื่อมไปหมดแล้วนะเอออวัยวะาทั้งหลายในร่างกายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเนี่ยก็เป็นบ้านที่เป็นเรือนกายที่ใจอาศัยอยู่เนี่ยมันหนึ่งมันก็ต้องพังทลายลงไป เพราะยังไม่มีใครอยู่ได้ตลอดเลยไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้น่าจะไปที่ไหนตรงนี้สำคัญเพราะถ้าเราเชื่ออยู่แล้วว่าชาติหน้ามีจริงนะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเราจะไปทางไหนจิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมาจากมาทางไหน เราเกิดมาจากอะไรน่นเราจะไปไหนเราจะรู้ไหมเนี่ยจิตเราตายจากนี้ไปแล้วเราจะไปไห น, นเราลองคำนวณดูดูว่าที่เราทำมาทั้งหมดจะพอะคำนวณดูประมวลดูได้ัหยว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์มากกว่าที่อื่น หรือถ้าจิตเราเป็นสมาธิก็เกิดเป็นพรหมเในวันวันหนึ่งๆเนี่ยใจเราก็พยายามฝึกปฏิบัติอยู่อลึกถึงคุณงามความดีอยู่แม้จะมีการงานมากมายแต่ในเรื่องของใจเราพยายามปฏิบัติพยายามฝึกใจของเราให้มันนิ่งให้มารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ คือเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่เนี่ยมื่อเราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่อย่างนี้นี่คว่าเป็นทางดําเนินที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อยู่จิตของเราจะมีความสงบมีความเบิกบานนะมีความสุขใจ เมืบานใจอิ่มใจนะอิ่มใจเพราะอะไรเพราะปัจจัยตรงนี้เนี่ยเมื่อมีอารมณ์คุณงามความดีใจก็จะมีความสบายเช่นเมื่อพวกเราตั้งจิตตั้งใจคิดว่าจะมาทำบุญใจก็สบาย มาฝึกนั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์ใจก็สบายเป็นเรื่งกงขเป็นบุญบุญคือเครื่องฟูใจสุขใจนั่นเองนิ่งบุญที่มีมากขึ้นก็ในเรื่องของการภาวนานะทำบุญทำทานแล้วคิดถึงบุญถึงทานใจก็อิ่มใจเราเคยคิดไหมว่าเราได้ทำบุญกันมาก แต่เราเคยนึกถึงบุญบ้างหรือเปล่าถ้าเรานึกถึงการทําบุญขึ้นมาก็เป็นจารคานุสติกรรมาฐานนะนะเออถ้าเราชอบทําบุญสุนทานเป็นประจําวันไหนเราไม่ได้มาใส่บาตรเราก็นึกเหมือนกับเรามาใส่บาตรแท้ๆนะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาใส่บาตรนะอาทิตย์ที่แล้วนู้นเราก็ได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติภาวนา นนเราละเลอกไปถึงคุณงามความดีในระเลอกไปในเรื่องของสมาธิที่เราเคยได้จิตก็จะสงบขึ้นมาได้ถ้เาเลิกถึงในขณะที่เราละา ก, กิเลสเป็นสมุจเฉตปราหารแต่ละน้อยละน้อยใจก็จะเบิกบานขึ้นมาได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกับเราเตรียมเอาไว้แล้วว่า ตายจากชาตินี้ไปแล้วร่างกายมันพังจิตเราจะไปสู่ในภพที่ดีจะมีความสุขเราก็ต้องสร้างเอาไว้ในปัจจุบันนี้ก่อนแต่เราสร้างไว้มากๆคุณงามความดีคือบุญนี่แหละนะส่งผลให้เราแล้วเราก็จะมีความสุขใจไปสู่ภพที่ดีหรือว่าไปสว่างจะมาเมืดหรือมาสว่างแต่เราจะไปสว่างแล้ว ก็ต้องพยายามปฏิบัติแม้จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาก็พยายามให้มีกำลังกิจกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากยิ่งบุญในการภาวนาเนี่ยนะนะถ้าเรามีสามีภรรยาปฏิบัติทั้งคู่นี่นับว่าเรานี่มีบุญกุศลพอสมควรนะ ได้สร้างมาแล้วเพราะจะไม่ขัดกันในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลข่าวัดในทั้งคู่ในทาบุญทาทานนั่งสมาธิฝึกกิจเป็นหลักของใจหลักของใจเนี่ยนื้อการภาวนาจะพิจารณาอย่างที่ธรมาธิบายแล้วให้สงบก็ดีจะกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอน อริยกรภาวนาบอกพุทโธไว้หรือบางครั้งเราก็พิจารณาบางครั้งเราก็พุทโธเนี่ยตรงนี้ให้เราสร้างความมั่นใจว่าวิธีการที่เราปฏิบัติอยู่นี้เป็นวิธีการที่ใช้เกิดสมาธิธรรมนะสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้กําหนด รู้เราไมใ่ใจเข้ารู้เราไมใ่ใจออกนั่นแหละเป็นหลักหรือเราจะพิจารณาดีให้จิตสงบเราก็มันฝึกมันฝนในการปฏิบัติอย่างนี้แหละว่ามีวิตกวิจารณเมื่อเราวิตกวิจารณ์อยู่ปีติเกิดขึ้นมาปีติทั้งห้า มีน้ำตาไหลมีกายเราโยกโค้งก็ได้กายนี่สูงใหญ่กายนี่เบานะบางครั้งกายก็รู้สึกมันลอยอยู่กลางอากาศบางครั้งนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีคนุกค้นชันเกิดขึ้นก็เรียกว่าปีตินั่งสมาธิไปแล้วมือข้างหนึ่งหายมือทั้งสองหายขาทั้งสองข้างก็หายไปเรื่องหายไปประมาณครึ่งตัว ในสึกความรู้สึกว่าทั้งตัวเองไม่มีละมันว่างบันเบามันก็สมรีมันจะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ น, น้อยลงถ้าเราอยู่อย่างนี้สักชั่วโมงหนึ่งเวลาผ่านไปเร็วมากเลยในเรื่องของสมาธิ จนามื่เราฝึกได้ดีนะจิตมันจะไม่มีความคิดจะหยุดนิ่งได้นัาเป็นธรรมชาติว่าความสงบนี้มันก็ไม่เที่ยงอีกอจิตก็จะมารับรู้อารมณ์อีกตามปกติเราก็เห็นความคิดนึกปรุงแต่งเวณริจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีสติตามรู้ตามดูไว้ เนือเห็นกายก้อนี้มันก็เป็นอนิตจังทุกขังอนัตตานั้นเนะ่เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วมีมุหมดหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นมาโชกข่าวถ้าเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นบ่อยๆมีมดหลุดพ้นมันก็จะมีมากขึ้นจนในที่สุดรวมกันเข้ามาเป็นมัคสมังคีสามารถเอาชนะเกเรเป็นสมบจเชตพรหารได้แต่ในเบื้องต้นก็อาจจะเพียงรู้ว่า กายก้อนนี้ที่งเรายึดอยู่กันทั้งห้านี้แหละมันไม่ใช่ตัวมายาตนจริงๆในีวันดวงตาเห็นธรรมกับดวงใจดวงนี้แหละเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าใจก็เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาไม่ว่าฆราวาสหรือญาติเดวมหรือว่าจะเป็นพระสมมาเนตที่เข้ามาบวชโดยเบื้องต้นก็เป็นสมมุติกันทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วใจถึงจะเป็นไม่มดหลุดพ้นได้ เป็นผ้าจริงๆมาส่งบสิกาก็เป็นพ้าจริงๆได้นะศรัทธาที่เราเคยมีความเชื่อเรื่มใสในเบื้องต้นแล้วก็ว่าเรามีศรัทธามากนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจิตบริกรรมพุทโธเป็นต้นหรือการพิจารณาให้สงบเมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิด ค, ความสงบจริงๆศรัทธาจะมีมากขึ้น เมศรัทธามันมีมากขึ้นเน่ยเพราะการปฏิบัติเห็นแก่เราเป็นปัจตังนั่นเองแล้วเมื่อเราปฏิบัติเกิดปัญญาขึ้นมาเองศรัทธาของเรามันก็ยิ่งมีมากขึ้นมาตามระดับความเพียรพยายามความตั้งใจก็จะมีมากขึ้นมีศีล5้าเป็นปกติมีศีลอุโบสถศีลในวันหยุดสักวันหนึ่งเพื่อจะทำบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นไป เมื่อปกติเรามีศีลมีธรรมมีศีล5เป็นปกติมีทานอยู่เสมอมีการเสริมบุญธรรมวัดการภาวนามุ่งปฏิบัตินในชีวิตนี้แหละเราทําการงานแล้วมีอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพแล้วเราจะปฏิบัติควบคู่ไปด้วยทางใจเพื่อจะพัฒนาใจยกกิจยกใจของเราให้มันสูงขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อสังขารร่างกายยังอำนวยอยู่จะพยายามฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมตามโอกาสเวลาที่มีแต่ที่สำคัญก็คือความมีสติรักษาจิตใจของเรานั่นเองเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ไปศรัทธามากขึ้นปัญญามากขึ้นสติสมาธิสมบูรณ์ความเพียรพร้อมเป็นพละพลังศรัทธาจะตั้งมั่นเป็นอจรสัทธา ศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าเพราะเรามารู้เห็นความเป็นจริงแล้วมีความมั่นใจเพราะเรามาเข้าใจจริงๆมาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นรูปวัตถุสิ่งของภายนอกล้นแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ ก็จะมุ่งหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไปจนที่จะทําที่สุดของความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแปลว่เาเรานี่เข้าถึงแล้วเราเข้าถึงศรัทธาที่มีความตั้งมั่นขึ้นมาในขณะที่เรามีศรัทธาอยู่เราต้องพยายามทําให้ตั้งมั่นขึ้นให้ได้ดยการปฏิบัติธรรม จะเป็นบุญอย่างมากทีเดียวไม่บุญนี้เกิดขึ้นได้หลายทางดังที่อธิบายว่าเกิดขึ้นจากการให้ทานสมทานศีลการฟังธรรมการภาวนาเนื้อเกิดขึ้นจากการที่เราได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่คนอื่นเขาได้ทําเนื้อเกิดขึ้นจากการที่เรามีบุญกุศลและก็แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้บุญได้กุศลด้วย ช่วยเหลือในกิจต่างๆในด้านของคุณงามความดีเราก็ช่วยกันเมื่อทำอย่างนี้จิตของเรานั้นถึงพร้อมได้ทานศีลภาวนาก็อยู่ในอริยมรรคเดินทางไปพาใจตรงนี้แหละออกจากวัตต่าทสงสารไปได้ไม่มากก็น้อยเท่ากับว่าเราได้สั่งสมบุญของเราอยู่เสมอ คนที่เราได้สั่งสมมาแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราเข้ขอให้พยายามปฏิบัติกันเพราะสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะเป็นอุปสรรคกับขัดขวางเกิดโรคไปแค่เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเราได้ปฏิบัติ ต, ตามพุทธอวัเทวาดูก่อนมิสูทั้งหลาย จงความทาความไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมเถิดตัดถึงพิสูจนะก็ตัดรวมไปถึงอุปสมบาศิกาทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติตามนี้แล้วจิตเราจะหมดจดจากอวิชชาตนาอุปทานได้ก็ขอให้เจริญนในธรรมทุกน ท, ก ท, กทุกท่านเถิด